จะมีได้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปุญญาพิสันธาสูตรคือสูตรที่ว่าโดยสายทานแห่งบุญหรือการหลั่งไหลแห่งบุญทรงจำมณนกแสดงไว้สองสูตรต่อกันแต่มีข้อที่น่าสังเกตว่าการเกิดแห่งบุญนั้น มาจากปัจจัยภายนอกคืออิงอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริมตัวสนับสนุนให้เกิดปุญประกานึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาทางจิตใจของเราโดยเฉพาะโครงสร้างก็อยู่แนวเดียวกับแนวมงคลโดยสุดเตีอาศัยการไม่คบผ่านการค้าบัณฑิตการบูชาผุ้คนบูชา เธอเชิญว่ามงคลตรงนี้เกิดมาจากภายนอกก็อิงอาศัยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาตลอดถึงการอยู่ประเทศที่สมควรแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำภายในที่เรียกว่าตัดสมาปณิชิคือการตั้งตนไว้ในทางที่สอบแต่ทั้งสองประการนั้นที่จริงแล้ว มันเป็นเพียงจุดเน้นเท่านั้นเองตัวการหลักก็คงมาอยู่ที่เราพแม้เราจะก็พานสมาคมกับกับบัณฑิตก็ตามแต่ถ้าเราไม่เป็นบัณฑิตตามท่านไปเราก็าตัวไม่รอดเหมือนกันก็มาเขาสู่หลักกรรมที่ส่งแสดงเอาไว้ว่าวิธีชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปกับการกระทําของเราเองก็เป็นเรื่องของกรรมมริค ط. ข้อน่าสังเกตต่อไปก็คือเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นเนือสยามใสของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องนี้แล้วก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงอย่างที่เคยบอกว่าทางเกิดของพระสูตรมันจะมีอยู่4ทาง เดิเกิดขึ้นเหนือตายาใสของพระพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์จะแสดงจากการสังเกตคือผู้ฟังคิดไม่ถึงผู้ฟังไม่มีพื้นฐานที่จะตั้งปัญหาข้อสงสัยขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งดีงามที่ควรเกี่ยวกการรับรู้เอาไว้พระพุทธเจ้าก็จะ ร, ะรบเรื่องนี้แล้วก็เรียกคนท่างหลายมาแล้วก็ทรงแสดงให้ฟังแนวที่สองนั้นเกิดขึ้นจากตาตยาัยของผู้ฟัง หมาความผู้ฟังมีปัญหาผู้ฟังมีความสนใจผู้ฟังมีพื้นฐานก็แล้วแต่เุยจะแสดงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของเขาแนวที่สามนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนรับรู้ร่วมกันเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยุยจะกระส่งแสดงถึงเหตุที่มาของเหตุการณ์เหล่านั้น เราก็ตลอดถึงการป้องกันแม้เกิดเหตุการณ์ในแนวนั้นเกิดขึ้นอีกว่าทำนองคล้ายๆกัรน้ำท่วมนะพูดถึงเหตุทีเ่เกิดน้ำท่วมล้วก็พูดวิธีป้องกันน้ำท่วมเป็นการประโรคปัญหาเหล่านั้นคนมีความมีการมีพื้นฐานในการรับรู้อยู่แล้วก็ําเรื่องเหล่านั้นมาสแสดง ยิงในหนึ่งมีคนก็คล่องใจสงสัยมาสอบถามสอบถามบางเรื่องเป็นความสนใจร่วมกันแต่ก็มาถามกันนะบางเรื่องเป็นเรื่องก็กลุ่มคนที่เขาสนใจก็มาสอบถามก็ทรงแสดงเลยตอบคมถามเราดันคาถามบางอย่างเนี่ยถามมาประโยคเดียวก็ตอบประโยคเดียวนะแต่บางอย่าง กรอบของคำถามมันต้องต้องชี้แจงเป็นประเด็นประเด็นไปก็จะมีการขยายประเด็นเรายังพบว่าประสู์บางประสู์ที่เกิดขึ้นจากคำถามเพียงประโยคสั้นๆแต่ก็ตอบไปเป็นประสูดเกระความยาวทั้งสองหน้ากระดาษหรือั้งสห้าหน้ากระดาษก็มีประสู์ตรงนี้เป็นเกิดขึ้นมาจากอัธยาศัยของพระองค์เองที่มีพระประสงค์จะแสดง ทางเกิดแห่งบุญคือสายฐานแห่งบุญต้องโหวมาตั้งการหลังไหลของกระแสน้ำนะคือสายฐานเนี่ยมันไหลลงมาแล้วก็แทกซึมอํานวยประโยชน์แพรห่หลายกระจายขึ้นไปเรื่อยๆก่ไหลกันมาเป็นหมื่นๆกิโลแล้วกํานวยประโยชน์แก่ทางที่สายนา้ําเราดันไหลผ่านมาโดยตําดก็ส่งอุปมาเหมือนบุญที่ บุคคลในสร้างขึ้นมันมีลักษณะเป็นสายฐานที่หลั่งไหลอํานวยประโยชน์สุ่แก่คนนั้นอย่างต่อเนื่องกันไปเนื่องาวโดยสรุปสั้นๆกระทำโครงสร้างของกรรมในท่านทั้ ง, งหลายลองสังเกตว่ากระสงค์โครงสร้างของการให้ผลกรรมนั้นสงแสดงไว้สามประเภทประเภทแรกก็เรียกว่าที่จะทํามาเวทเนียกรรมคือให้ผลในขณะนั้นๆั้นแล้วให้ผลตลอดตั้งในชาตินั้น อีกประการหนึ่งนั้นเรียกว่าอุปปัชชะเวทนากรรมเป็นให้เป็นการให้ผลในภพชาติต่ อ, ตอไปภพชาติต่อไปนะฮแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลในภพชาติต่ อ, ตอไปเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่เก็บสะสมรวบรวมไว้เ พ, พื่อพูนขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นลุปนิสัยปัจจัยที่ให้บรรลุผลในผ่านอย่างที่ รับสั่งเล่าถึงประวัติของพระยาสาววอกหรือแม้แต่ประวัติของพระองค์เองว่ากว่าจะถึงวันนี้มันก็สาหัสากันมาขนาดไหนเก็บสะสมรวบรวมบารมีธรรมามากน้อยแค่ไหนเน พ, พียงไรผ่านอุบัติศักดิ์อันตรายมาม า, มากม า, กายกายกองจนบางครั้งต้องเสียสละแม้ชีวิตเพื่อจะรักษาคุณธรรมความดีเหล่านั้นเอาไว้ก็กลายเป็นบา ร, รมี ก็ทำให้เราเห็นความยิ่งหยอนของบุญประเภทที่สามที่ให้ผลในภพชาติต่อๆไปนะก็เหมือนกับการเรียนหนังสือเราค่อนข้างชัดนะฮะเหมือนกับการเรียนหนังสือก็อยู่ที่พื้นฐานของคนแต่ละคนแล้วก็เป้าหมายที่คนนั้นต้องการจะเรียนแต่เราต้องการเรียนระดับอาชีวะมันก็ไประดับหนึ่งนะบัญญาตรีก็ไประดับหนึ่งบัญญัติโทก็ไประดับหนึ่งบิญญัเอกก็ไประดับนึง ใช้ระยะเวลาต่างกันผลสำเร็จแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของการเก็บสะสมที่มีความต่อเนื่องกันแล้วเป็นปัจจัยของการแหลกกันความรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันไปจนถึงด็อกเตอร์บุญกุศลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นที่เป็นรูปของบารมีมันก็หลังไหลไปในแนวนั้น แล้วก็ในชั้นนี้ทรงแสดงผลในชาติหน้าไว้ก่อนนะี่ะชาติหน้าไว้ตัวเรียกว่าผลในชาติต่อไปก็เรื่อประโยชน์เพื่อกูลความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ประสูนย์แรกเป็นการพูดถึงการให้ทานของคนที่ให้ทานไม่ใช่ของคนที่รับทาน พูดถึงความดีงามของคนที่รับทานว่าเป็นการหลั่งไหลของบุญแก่ผู้จีให้ทานมาความผู้รับไม่ได้บุญหรอกเพราะผู้รับท่านละหมดทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ได้แก่การให้ทานแก่ท่านที่ได้เข้าถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้ํานวนบาลีแปลกเป็นจำนวนบารีที่แปลกออกไปเจโตสมาธิที่หาประมาณไม่ได้ เราเคยพบในเรื่องทักศิณาก็เรียกว่าเรื่องสัมปทาคุณนะฮะเราเคยพูดเรื่องสัมปทาคุณมานานนะสัมปทาคุณที่ตนแบ่งมาเป็นสีประเภทที่จริงตรงนี้ก็คือเรื่องสัมปทาคุณข้อแรกเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือบุคคลที่จะรับทานเป็นคนที่อยู่ระดับระยะบุคคลคือตั้งแต่อนาคามีถึงพระอาหารหันต แต่ไม่ใช่ทั่วไปนะฮะถือว่าเป็นเงื่อนไขตัวแรกประการที่สองนั้นปัจจะสัมปัถาคือสิ่งที่เราให้เรานํามาบริจาคมาให้นั้นเป็นของที่ได้มาในทานที่ชอบทำอยาบละเอียดประณีตไม่ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเรามีชนิดเดียวแม้จะหยาบยังไงก็ถือว่าเป็นฐานที่ประณีตเพราะจะท่านเน้นที่จิตที่ประนีตเพียงแต่ว่าถ้าเรามีวัตถุหลากหลายใ น, นเราให้ของที่หยาบก็แสดงว่าใจยังหยาบท่า น, นั้นเองนะฮะ แล้วก็ประการที่สามคือเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะให้ตั้งก่อนให้ขณะให้แลหลังจากใครจิตประกอบด้วยกุศลนะเจตนาไม่เกิดความสนีไม่เกิดความเสียดายไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในช่วงในช่วงหนึ่งและคําว่าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้ที่ทรงใช้ในที่นี้นะ่ะใช้ในประสูตริปกติไม่ไม่ค่อยได้ยินเนี่ะนะฮะ ไม่เ็ยเจอบ่อยๆในที่นี้ท่านเรียกว่าคุณาธิเลกสัมปทาก็พระยาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยท่านออกจากมิโรธสมาบัติคือเข้าสมาธิที่อยู่ในสมาบัตินะคือสมาธิข้าวยะสั้นๆบางทีก็ไม่กี่นาทีก็เข้าสมาธิแล้วนะบางทีก็เป็นชั่วโมง แต่ว่าคำว่าเจโตสมาธิที่หาประมาณมีดายนั้นหมายถึงท่านเข้านิโรธสมาบัติแต้อยู่ในสมาบัติตลอดเจ็ดวันนั่งนิ่งมันก็ทอนไม้วางอยู่ท่อนหนึ่ ง, งนะะแล้วในช่วงตรงนั้นเนี่ยฟ้าถล่มดินนายเลยท่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากอะไรก็ตาม แต่ร่างกายคือร่างกายร่างกายมันก็หิวเว้ย น, นะฮะแม้จะใช้พลังงานไปไม่มากแต่ว่าร่างกายมัก็หิวเหมือนกักนกนใครถวายทานแก่ท่านในช่วงนี้ในช่วงนั้นเป็นคนแรกช่วงนี้ท่านออกจากในรถสมาบัติเป็นคนแรกก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ระดับทานด้วยกันนะฮะทานวัตถุทานด้วยกันเนะี่ยไม่มีใครจะไปเทียบเทียบได้ก็เรียกเป็นการหลั่งไหลของบุญที่ไม่ขาดสาย อันวัประโยชน์สุขในปัจจุบันคือเปลี่ยนแปลงสถานะของคนนั้นในปัจจุบันจากคนจนเป็นคนรวยจากคนที่ไม่ค่อยมีอะไรปลายเป็คนมีอะไรขึ้นมาอาจจะเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรนเริญด้วยความสุขหรืออาจจะครบหมดทั้ง4ี่อย่างก็แล้วแต่เรื่องนี้เราเคยพบในหลายพระสูตรยังเคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับ อุปมาเมันก็มีบ่วงลอยอยู่ในทะเละแล้วก็ก็มีคนที่สัตว์ดรว่อยอะไรก็ตามเนี่มันอยู่ในทะเลแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงบ่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็หายากมากเพราะแนวตรงนี้ตลอดระยะเวลา 45,000 ษาที่ทรงประชน์อยู่มีคนทำบุญได้ระดับนี้เพียง6ท่านเยง6ท่านแต่นั้นเอง ก็แสดงว่าแม้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่พระหารทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยฮะ ก, ก็หาโอกาสขนาดนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเงื่อนไขเอาก็จริงมันไม่ใช่จากภา ย, ภายนอกอย่างเดียวนะมันมีภายในอยู่สองภายนอกสองก็แสดงว่าก้ากึ่งกันภายในก็คือสิ่งที่เราให้มาสิ่งที่เราบริจาค ก, กเจตนาในการบริจาคซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ท่านเหล่านี้เราหาได้ยากที่ท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็เราได้ถวายเป็นคนแรกในขณะถวายของที่ถวายได้มาด้วยความบริสุทธิ์และจิตใจที่บริสุทธิ์จริงมันต้องเอาก็จริงมันต้องสี่อยา่างอันจากข้างนอกสองข้างในสองจุดนี้จึงเน้นที่เขาเรียกว่าทักษิ น, นยายบุคคลคือผู้ที่ควรแก่การให้ทักษิณา ให้ลองสังเกตว่าจุดเน้นก็คือเน้นที่ความบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้นเพราะคำว่าบริสุทธิ์มันก็เปิดเปิดกว้างแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นพระโรเป็นฆราวาสแต่จุดสูงสุดแน่นอนว่าเป็นพระนาคามีพระนาคามีฆราวาสก็มีนะฆราวาสก็มีแต่ว่าตามปกติเราก็ไม่ค่อยตักบาทกับฆราวาสนั้นนั่นเองก็เน้นไปที่ท่านซึ่งมีความบริสุทธิ์คือเจโตสมาธิ ที่สามารถเข้าในรสสมาบัติได้แต่นี้คนเข้าในรสสมาบัติได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ระดับนั้นระดับพระอยาบุคคลชัน้นอาณาคารีเลยเล ย, เลยก็กําหนดเป็นกฎเกณฑ์เอาไว้แต่องค์ประกอบของเราก็กลายเป็นองค์ประกอบหลักคนถวายทานแก่พระที่ออกแก่ในรสสมาบัติเยอะนะฮะที่จริงเยอะแต่มันมีปัญหาในภายใน เอาความมัีของที่เอามาบริจาค ก, ก็ได้มาไม่บริสุทธิ์หรือว่าเจตนาทำมาอย่างนั้นเองไปทําไปแกนแกนไปอย่างนั้นเองทอําทให้ผลในลักษณะหลั่งไหลของบุญเป็นสายทานจริ ง, รงๆมันไม่เต็มเต็มเม็ดเ ต, ต็มหน่วยแต่ก็ได้นะนะเพียงแต่ว่าไม่มีลักษณะของปุญญาวิสันทาคือการหลังไหลการหลังไหลที่ให้ความให้ประโยชน์ได้ความสุขอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านภพชาติต่างๆมา เราจะเห็นว่าเอาก็เอาก็จริงบางทีเนี่ยมันมันของที่ให้มันไม่มากจยงมีพระเทระรูปหนึ่งชื่อพระพาคุณหลักเป็นคนที่แปลกนะอายุตอนท่านบวชอายุตั้งแปดสิบแล้วแต่ยังกระชุ่มกระชวยยังแข็งแรงสุขภาพพานาะมเดีก็อยู่มาอีกตั้งแปดสิบปีเกือบสังกายนาครั้งที่สองนะนะ ท่านอยู่มาจงเกือบสกัยหนาครั้งที่สองเป็นคนไม่เคยเจ็บเคยป่วยเลยตลอดชีวิตก็ศึกษาถึงภูมิหลังในการทำบุญทำทานของท่านเพราะองค์ร ะ, ร ะ, ระัก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมากอะไรเท่าไหร่เตีเป็นการกระทาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถวายยาต่นเองนะฮะถวายยาแก่พระอริยะบุคคลถวายยาแก่พระสงฆ์ แล้วก็รู้สึกจะ ส, จ, ะสจะสร้างจะสร้างจะสร้างจะสร้างห้องน้ำนะฮะสร้างวัจกุลีสมัยโบราณก็เรียกห้องน้ําห้องสุ่ตัวหลักมัก็มี ท, าท่านนั่นเองเป็นปุญญาภิสาน้าที่หลังไหลไม่ขาดสายสร้างเป็นอนุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานจนออกบวชมาแล้วเนี่ยในสมัยเป็นคาราวะาก็เป็นลูกของะกุลเศรษฐีสองสกุล แล้วก็พอออกบวชก็เป็นคนที่ไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บเลยจะเรียกว่าไม่ถึงกับต้องเรียกหมอรักษานะนี่คือการหลั่งไหลข่าของบุญเอาก็จริงตัวเจตแต่ไอตัวตัวปัจใจไม่มากเพียงแต่ว่าทําด้วยบริสุทธิ์แลวก็รับบริสุทธิ์นี่พระยะบุคคลเป็นนันมากที่อีตอนท่านถวายมันก็ไม่มากอะไรยังอย่างพระศิีวลีก็เหมือนกันนะฮนะพระศีวลีเนี่ย ภาษีวรลีเป็นการถวายอาหารทุกชดิตเท่าที่หาได้ก็ถ้าอาหารจํำนวนมากแสวงหาใช้ทุนปัจจัยมากใช้ความพยายามมากนะแล้วก็ถวายแก่พระเจ้าบุคคลแล้วทํำให้ท่านเป็นคนที่มีลาบมากไปที่ไหนบางทีหลวงพ่อเจ้าต้องอาศัยบา ร, รมีของท่านท่านเก่งมาก บินตบาตเนี่ยคนตามหลังท่านเป็นร้อยๆในเต็มหมดเลยได้ ห, หมดมีคนมาจากไหนไม่รู้มาตักบาทท่านเป็นคนที่แปลกก็เด่นที่สุดในบรรดาสาวกของพระเจ้ายุคพุทธกาลนะก็เด่นที่สุดในเรื่องตรงนี้ก็ดูบุญ ก, ก็จริงก็ก็ไม่ได้มากแค่เดียวกันอีกอย่างหนึ่งเป็นสูตรที่สองเป็นสูตรที่สองก็ หมายความว่าเป็นเรื่องปฏิบัติพัฒนาใจตัวเองที่หลังไหลของบุญที่ไม่ขาดสายเรามองกลับมาที่บุญอีกชิหนึ่งและเชื่อว่าบุญนั้นโดยเจตนาเจตนาที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธโกรลงอะไรก็ได้นะความจงใจที่ไม่ไม่ประกอบด้วยความโลภโลกรลงที่รุนแรงบางทีมันก็โลบนะ มันไม่ใช่ไม่โลภเพราะว่าตามปกติแล้วการทําบุญระดับวัตกรรมีมันก็มีโลภอุปนิสัยปัจจัแยแห่งมรรคผลนิพพานในนาคตการเบองหน้าโน้ น, นเทินนะฮะเราถวายทานเราเย็นว่าอมหา้ากังทีกระตงังหีตายาสุขคาญาตต่อเนื้อได้ว่าทุกเทีนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลา ย, ย, าลายมีมันดาพิดาเป็นต้นแสดงว่าเราก็ทําด้วยความโลภป้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูล พระเจ้าเองแท้ก็ถามในความโลภนะฮะแต่ก็โลภในมรรคนิพพานเห็นไหมว่าชาดกทั้งหลายที่เราที่เราฟังมาเนี่ยแม้แต่ทศชาติต่ยมคุ้นเคยเนี่ยทุกชาติอธิษฐานเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าแสดงว่าทาในโลภเหมือนกันแต่ว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการได้สิ่งนั้น เพราะว่าแม่ผลนิทานเอาก็จริงมันมันจะมีลักษณะเป็นยานภานะหรือเหมือนก็จะรวดอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยมันเป็นการผลักดันบุญนี่เป็นการผักดันตัวตัวตัวตัวดาวเทียมให้ออกไปสู่สุญญากาศแต่ตัวเองไม่ได้ออกไปตัวเองก็ตกลงมาในโลกจรวดทั้งหลายที่ยิงเพื่อนออกเนี่ยตัวเองไม่ได้ออกตัวเองอยู่ข้างหลัง บุญจะมีลักษณะอย่างนั้นบุญมันส่งคนไปสู่นิพพานแต่ตัวเองไม่ใช่เข้าถึงนิพพานเพราะถ้ายังยังยังมีบุญอยู่ก็แสดงว่าไม่ถึงนิพพานพอถึงนิพพานก็ต้องไม่มีบุญก็ต้องละ บ, บุญบาปได้บุญบาปมันนําไปสู่วัฏตะนําไปสู่การเวียนไว่ายตายเกิดนิพพานนั้นเหนือบุญนะฮะเหนือบุญเหนือบาปเหนือกิเลสก็ทําให้เหนือทุกข์นะฮะ เรจะเห็นว่าบุญบาปที่จริงนําความทุกข์มาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่นาเฉพาะความสุขมาให้บุญก็นําความสุขความทุกข์มาให้เหมือนกันแต่บรรทุกที่มันมันมันมันมั น, ม, นมันประนีตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอย่างน้อยถึงจุดหนึ่งก็คือทุกข์ในวัฏฏะทุกข์ที่ยังต้องหมุนวนนี่ผ่านทันๆๆจึงละได้ทั้งบุญทั้งบาปในตรงนี้ส่งสแสดงถึงคุณธรรมภายในใจ ที่ได้บุคคลสามารถปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปในสี่เรื่องในที่อื่นไม่ได้เรียกอย่างนี้นะที่จริงเราเราเราเคยเจอประสูตรในลักษณะในองค์ธรรมในลักษณะนี้เราเคยเจอในที่อื่นจนะเรียกว่าโสตาปับติยังขะแปลว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันหรือองค์กุณที่ทําให้บุคคลเป็นพระโสดาบัน แล้วก็บางแห่งเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการปิดประตูนรกหมายความว่าถ้ามีอย่างนี้นอกจากเปิดประตูสวรรค์และปิดประตูนรกล้วท่านเรียกว่าบาลีตะเดียกวกุจตะตหปาเยหิเจวิปปมดดุตโตชจาพิฐานาเนี่ยพระโภกาตุพ้นจากอบายทั้งสี่จิตขนาดนี้จะพ้นอบายทั้งสี่ แล้วก็จะไม่ทำอภิฐานคือกรรมหนักูก อ, อย่างไจะไม่ทำหรือใจมันขึ้นถึงระดับนั้นอย่างเมื่อวานนี่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามาจากแถวอะไรแถวยวราชเนี่ยคนนี้เขามาบ่อยรู้สึกเขามีปัญหาทางจิตใจอะไรก็ามาูนะเขาอยากจะ ก็อยากจะถอดกายทิพย์เขาบอกเขอยากจะถอดกายทิพย์เพื่อชิงสังขารแล้วจะบางจ ะ, จ, ะ จ, ะจะไปสวรรค์ในชั้นะไมอยู่ในโลกนันนะเดี๋ยวไปถามพระพระบอกไม่ได้นะถอดกายทิพย์แล้วตกนรกโดยแก่ก็มาถามมาบ่อยบอกว่าไม่ไม่ตกนรกหรอกว่าที่จริงมันก็ขึ้นสวรรค์นะแต่ว่าถ้าเธอถอดกายทิพย์ได้เนี่ย ใจมันปสงบมันเป็นสมาธิมันได้อภิญญาแล้วมันไม่ฆ่าตัวตายหรอกจริงๆแล้วใจอย่างนี้กับการฆ่าตัวตายมันอยู่คนละเรื่องกันเลยหมายความถ้าคิดอย่างนี้ใจอยู่ระดับนี้จะไม่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายใจจะไม่ถึงระดับนี้สิ่งเหล่า น, นี้จึงอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะงั้นถ้าถ้าไปถึงจริงๆเนี่ยเธอก็ไม่ทิ้งสังขารอย่างที่ว่าหรอกไม่ต้องไปกลัวตก น, นรกเพราะจริงๆแล้วจะไม่ทํา จะไม่ทํากรรมไปไหนเลยตกลงราคือจิตนี่มันมันมันอยู่จุดนี้แล้วนี่จะไม่ทําบาปอย่างนั้นเพราะมันเปนความขัดแย้งกันในตัวนะทีนี้ไอ้จิตที่อย่างนี้ก็เหมือนกันออกมาควาบาประดับแรงๆในข้าพอ่อข้าแม่ข้าพหารุ์ทำร้ายพระพุทธเจ้าทําสังฆเภทแล้วก็เปลี่ยนข้ารีดนับถือาศาสนาอื่นทั้งๆที่ยังเป็นแบบนั ก, นกบวชเนี่ยไม่ทําหรอกเพราะาใจมันสูงเกินที่จะทําอย่างนั้น แล้วก็นี้ ก, กเ็เป็นลักษณะที่มีอย่างหนึ่งแต่บ่งบอกถึงความไม่มีอีกอย่างหนึ่งใกล้ๆกับว่าเร า, เรามีทานมีการให้ตรงเนี้มันบ่งบอกว่าเราไม่สนิทในตรงนี้เห็นไห ม, มบ่งบอกว่าเราไม่สนิทในตรงนี้เราให้ของแก่คนมันบ่งบอกว่าเรามีเมตตาต่อคนเรานับถือต่อคนเราศรัทธาต่อคนเราเคารพคนเราพักดีต่อคน ถ้าเราเกลียดเราให้ไม่ได้เห็นมายว่าการมีนี่มันบ่งบอกถึงความไม่มีอีกด้านหนึ่งทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องลองลองลอ ง, ลองสังเกตดูกันหลยกันว่าทุกเรื่องที่เรามีนั้นแสดงว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องพูดแต่นั้นเองแต่นั้นปัญญาไปสัมภาในข้อนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของศรัทธาเชื่อมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณเรื่องใหญ่เลยนะตรงนี้เราจะเห็นว่าปาัญหาภูเขาเพราะตามปกติแล้วเนี่ยคนที่จะศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรันตนตรัยได้จริงๆเนี่ยมันก็จริงยากนะเราตไว่าวๆกราบๆอย่างนั้นแหะแต่จริงๆก็ไม่แน่จริงเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันเป็นภาพสะท้อนที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ กัดแดงกันอูภ่ภายในจิตใจของเราเองบางทีแม้แต่ในวัดเนี่ยในหน้าพระโต๊ะหมู่บูชาเราจงเห็นว่ามีรูปใครไม่รู้ไปอยู่เยอะเลยมีรูปสีก็มีว่างๆกวนอิมก็มีมีรูปหมอชีวกก็มีมีอะไรไมาอยู่เยอะไปหมดเลยหมอชีวกชีวกไม่หมดเราไม่รู้ไม่รู้นับถือศาสนาอะไรเรโรนิมยเขานับถือศาสนาอะไร เอาไปวางไว้ระดับเดียวกับพระกุทธรูปเลยสแสดงให้เห็นอะไรสะแสดงหเห็นว่าศรัทธาเราไม่มั่นคงเราไม่เชื่อมั่นในคุณของปรัชนาใยจริงๆแม้แต่ในเนื้อในตัวคนนะบางทีมีทุกอย่าง ปัจจุบันเขาแยกนะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลกับอะไรเขาเรียกว่ารัตนมงคลอีอยหนึ่งก็เรียกรัตนมงคลอีกเรื่องก็แยกเป็นวัตถุมงคลและวัตถุมงคลเนี่ยบางทีมันก็อะไรละ่ะเขี้ยวหมูตันหน้าผากเสืออะไรแต่ไรเนนะี่ยมันแสดงง่ายหนึ่งเราไม่มั่นในประวัตนาสตร์ลยก็เสือมันไม่แน่จริงมันแน่จริงมันมันไม่ถูกยิงตายหรอกเพื่อนเราเอาหน้าภากมาทำเนี่ยแสดงมันถูกยิงตาย ก็มันเองเนี่งถูกยิงตายจะคุ้มครองใครได้นะไอ้เขี้ยวหมูตันก็เหมือนนะกันนะก็เป็นเขี้ยวตันมันก็ผิดธรรมชาตินั่นแล้วปัญหาสำคัญมาการเอาเขี้ยวมาการกลายเป็นเครื่องรางได้แสดงมันก็ถูกฆ่านะี่ก็ไม่น่าจะคุ้มครองใครได้นะฮะตัวเองเนีถูกฆ่าไอ้นี่คือคือคือเราจะเห็นถึงว่าเราไม่มั่นคงในคุณพระรัตน์ไร อย่างอุตลุดไปหมดเลยบางทีว่างๆแขวนไม้กางเขนด้วยนะฮะทั้งๆได้แขวนพระเนี่ยเด็กรุ่นหนุ่มเนี่ยเราทังเกตเราแขวนไม้กางเขนด้วยนั้นแสดงว่ามันพิสูจน์ถึงว่าสิ่งมีตัวเนี้ยแสดงว่าไม่มีตัวนั้นแสดงว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในแบบในคุณของพระพัตนาใจเมืการเชื่อมั่นในคุณของพระพัตตนาใจก็เชื่อมั่นในในพุทธคุณที่เราสวดนะฮะที่เราสวดเนี่ยทั้งหมดอ่ะนะก้าข้อ ต้องถามใจตัวเราเองว่าเราเชื่อมั่นตรงนี้หรือเปล่าเชื่อมั่นในความเป็นพระอระหันต์ของพระพุทธเจ้าอรหังต์สมมาตมปุตโตนะฮะวิชารณาสัมปโนสุขโตโลกวิทูโตรสุสวเนี่ยเชื่อมั่นต่อหน้าญาตุนี้หรือไม่เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์หรือไม่บางทีเรายัางยังเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอระหันต์อยู่เลยนะแสดงว่ายัางเรียกชื่ อ, อยังไม่ถูกอยู่เลย นะพุทธังสนังกับสามีนันตะเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นพระ อ, อรหันต์อรหันตนัมันสัตว์ในเทพบิญายนะเป็นชื่อขสัตว์ในเทพบิญายแล้วก็เขียนออเลยนะออเลยอสองตัวเลยแล้วก็เขียนนะให้บงังคับไปอ่านว่าอไม่ให้บงังคับไปอ่านว่าอะแต่อรหันต์เนี่ยเขาจะเขียนอะเฉยๆเขาไม่มีอออีกตัวหนึ่งให้บงังคับไปอ่านว่าอะ ก็เขาบอกไว้แล้วนะเรายังอุตสาห์อ่านว่าอเลยอ่อนะศาสตราจารย์บางคนยังอ่านว่าออยู่เลยมีบ่อยออกโทรทัศน์โทรทัศน์เราบางิทชิยููอ่านว่าอรหันยังเลยอาพระพุทธเจ้าไปสัตว์ในเทวปัญาใคล้ากลเวตาลนะนะฮะตัวอรหันน่กล้ใยลกับเวตาลมีปีกด้วยีปีกกระเดียดไปทางครุฑปนกเวตาลนะท่านเอ เพฉะนั้นการการเชื่อเนี่ยก็คือแสดงว่าความเชื่อมันเกิดมาจากความรู้ให้เราสังเกตนะฮะว่าศาสนาพุทธเนี่ยความเชื่อเกิดมาจากความรู้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะเรารู้คุณของอรหันต์และเ ร, รู้ว่าคุณเราเนี่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าเราจึงเชื่อความเป็นอรหันต์ของพระพุทธเจ้ายันสมัยโบราณนี่ชัดมากฮนะ ข่าวค่าวต่างๆที่เราพบในพระสูตรได้ลองสังเกตนะว่าคนีจริงก็ไม่รู้มันไม่ได้มีโทรทัศน์วิทยุอย่างปัจจุบันเนี่ยข่าวมันลือข่าวเล่าลือว่าพระสมณะโคโดมออกบวชจากสักยะสกุลเป็นโอรสของพระเจ้าสุตตนามันเป็นตำนานเล่าเป็นตำนานเล่าเลยเล่าประวัติมา ก, ก่อน พระองค์เป็นประหันสัตว์รุ่ิสุ่โจทยแล้วจะแล้วจะข้าพระพุทธคุณแต่จะล่าบประวัติมาก่อนนะฮะสมณะโพดมบอกบวชเจ้าสกจักรกุบุนเปนนุรถุกบวชเจ้าสุตตนากระนังสิริมามายากลาเอาไปตำนานเลา่าลองอ่านวรรณคดีจีนวรรณคดีจีนวรรณคดีของอินเดียเนี่ยมันจะมีคนนักเล่าปล่อยที่หน่อยเราก็เรียกคนมันถือว่เล่าคนมาตั้งวงก็เล่าแล้วก็มีให้สตางค์ พวนี้ก็เล่าอ่าเล่าตำนานพระธรรมนัตโตรวมลืมเพราะลืมมานานเราจะลืมพระพุทธเจ้าในท่านลืมมานานท่านลืมมาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสามสกว่าปีเป็นมหาบุรุษเกิดพิสดารกว่าเพื่อนตำนานเราเนี้ก็เล่าขานถูกบันทึกเราก็เล่ากันมาได้่อยๆมีการรอคอยมีการเล่ากันมาเลื่ยเราก็เห็นตำนานว่ามีการรอคอยก็เยอะแล้วก็มาจากการเล่าในเชื่อ ว่าจริงคนเราเนรู้ก่อนรู้ก่อนแล้วบางคนเชื่อมาแล้วเชื่อมาแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่เขารู้ก่อนนะรู้ว่าท่านเป็นมามีมีประวัติความเบนม า, ป า, าเป็นยังไงลูกดาวหลอกอะไเป็นพระหัต จ, จักรวรีจะรู้ชอบด้วยตัวเองตามแนวเนี้ยแต่แนวพุทธคุณเนี่ยคนรับรู้ก่อนเห็นไหมว่าปัญญาเนี่ยมา ก, ก่อนปัญญามา ก, ก่อนมีการรับรู้มาก่อนสะสม ซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังแล้วฟังอีกแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็ส่งคนมาทดสอบทดสอบหาความรู้ความเข้ใจมากจริงๆเช่นส่งคนมาถามปัญหาอย่างแนวของโสรถปัญหาที่เราเคยบรรยายนานนะหลายเดือนเรจะเจ็นว่าท่านพระมภาวีนันเป็นนักปราชญท่านไม่ค่อยเชื่อ แต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธเพื่อต้องการพิสูจน์ทดสอบภัยมันของมากถึง <c oughs> ก็ส่งคนมาถามหรือว่าคนขนาดพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองตอบปัญหาขนาดนี้ได้ปัญหาสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็แสดงว่าคนที่ถามปัญหาก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วทัางกระตอบได้ทีนี้ของเราในส่วนใหญ่เนี่ย เราจะมักจะถูกสอนให้เชื่อโดยไม่ค่อยได้คิดก่อนนะไม่ค่อยได้คิดก่อนจริงว่าพระอระหังคืออะไรเนะี่ยวันก่อนไปบรรยายอบรมพราจึงก็เตรียมไปส่งต่างประเทศนะามาเป็นวิทยากรบญญออกรรยายวัะไตรปิฎกเอาก็จริงนี่เราก็งงเต๊กเหมือนกันใชนะ่ไหฮะถามอะไรท่านตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะเป็นธรรมทูตไหวหรือเปล่า คือนี <substit uting> so people, like ่เอาก็จริงเนี่ยเราก็มาเล่นตรงนี้มันมาถามที่พุทธคุณองค์คนนี้นะสุดมากขณะสอบอนุสาวรณาจารนะเขาถามพุทธคุณเนี่ยนะอนุสาวราจารย์นี่ไปสมัคสอบแล้วเขถามพุทธคุณถามไม่ท่องก่อนอิติปิโสปวาเนี่ยท่องก่อนท่องเสร็จแล้วให้แปลก่อนแปลดูสิแปลว่าอย่างไงแล้วถามคําอธิบายอาราหังนี่แปลว่าอะไรอรหังนี่หมายความอย่างไ้อธิบายมาเถอะสัมมาสัพพุธนี่แปลว่าอย่างไง เราเจนว่าถ้าสวดแล้วเราผ่านนะฮะถ้าสวดส่วนมากผ่านแต่ถ้าถามมาให้เขียนมาดูสิยุ่งนะเขียนไม่ค่อยถูกแล้วชักเขียนไม่ค่อยถูกพอพอจะแปลเลยชักยุ่งนะทีนี้พอแปลชักยุ่งพออธิบายเลยไปเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเราจึงมีไม่ค่อยมากพอในหลายหลายจุดทําให้ความเชื่อเรางอนแงนคอนแครนนะฮะงอนแงนคอนแครนเราก็แว่ง เพาไอ้การแกล้งเลยฮะจึงจึงนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่ศักดิ์สิทธิ์เสียมากนะแทนที่จะไปสัมผัสพระพุทธคุณของโพรง์ก็มุ่งทาพระพุทธเจ้าเหมือนกับเด็กรับใช้นะขอให้ช่วยเรื่อยเลยอะไรก็ช่วยเลยเรียกว่าปลูกพระพุทธเจ้าใช้ตลอดวันเลยใจคอเหลือเกินจริงๆนะจะไปรถไปเรืออะไรก็ขอพระพุทธเจ้าช่วยเล ย, เลยนะถ้าจริงๆเรานึกดูนะครับพระพุทธเจ้าไม่ต้องจําวัดมาช่วยโยมอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเราเรานับถือในแนวที่ค่อนข้างแขั ง, ข ง, ขงก็แสดงว่าเรายัางติดในรูปงการสาธยายเราไม่ได้มองไปตัวเนื้อหาว่าพลังศรัทธาที่เรามีต่อพระรัตนกายนั่นเองมันเป็นเกราะที่คุ้มกันเราเป็นธรรมะที่คุ้มครองป้องกันเราหมายความว่าพระพุทธเจ้าคุ้มครองจริงๆก็ต่อเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเห็นไหมสตางค์จะช่วยเราได้จริงๆก็เมื่อสตางค์อยู่กับเรา ความรู้จะช่วยเราได้จริงๆก็ต้างเมื่อความรู้มันอยู่กับเราอะไรก็ตามนะฮะที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยเขาต้องอยู่กับเราอ่ะสตางอยู่ในกระเป๋าคนอื่นไมนช่วยอะไรเราได้ความรู้อยู่ที่คนอื่นเขาร Fore ู้กันเยอะก็ได้ปัญญาเอกเยอะแต่ไม่อยู่กับเราเราก็ช่วยเราไม่ได้เพราะงันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านต้องอยู่กับเราแล้วท่านก็ช่วยเราได้เัน เวลาพูดจริงๆพระพุทธคุณจึงอยู่กับเราอย่างน้อยอยู่ระดับความเชื่อหรืออยู่ระดับหรือระดับปัญญาอยู่ยระดับสัมผัสคุณระดับความเชื่อก็ให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างงเป็นอรหังสัมมาสมัมพุโตวิชากนัชสัพโนสุกโตโลกาวิถุพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันสัตวรู้ีสรุชอบเริ่มเองสมบูรณ์ในวิชาในเจรณะสุกโตสเสด็จไปดีแล้วโลกาวิถุทรงรู้โลก ย่างแจ่มแจ้งอนุตรโรบริสธรรมสาระทิเป็นสาระทีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมตถาเด ว, วมนุสสานังเป็น ส, สาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ดื่นผู้บิกบาน่ะพุทโธแปได้สามในนะพระกว่าก็ไปได้สามในเหมือนกันเป็นผู้จำแนแกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีพกคธรรมซึ่งแต่ละเรื่องนา ย, ยาวเยจด เราเยตนั้นแต่หมายความว่าอย่างน้อยในะอยู่ระดับความเชื่อเราเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแลจากการเชื่อมั่นเนี่ยนะ้าทั้นหลายจะเห็นจะเห็นบทของพระพุทธคุณที่ทำให้เราถ้าเราเข้าไปสู่ตรงอื่นเข้าไปสู่ความเชื่อในจุดอื่นไม่เชื่อในจุดใดเราเชื่อความเป็นพระราหาัรของพระองค์ความศัตรูของหลวงทรให้เราเชื่อในตัวพระรรม แล้วเราเชื่อว่าธรรมะนั้นปฏิบัติได้เพราะพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์ในวิชาคือความรู้จะนาคือความรู้จะนาก็คือก็คือธรรมะในภาคปฏิบัติวิชาคือธรรมะในภาคที่เป็นผลคือภาคภาคที่เรียกว่าเป็นปฏิเวทมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพรพาะพระุทธเจ้าเป็นพระหังทนหักกิเลสได้ท่านทำลายกิเลสได้หมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงมีแต่แต่นิโรธกับมรรคโดยวิชาได้จะนา ก็ทาให้เราเชื่อเราเชื่อตัวธรรมะจากคําว่าอรหังคือทำพระพุิเจ้าสัจธรุมและธรรมะสมารถุบิโธที่พรุทธเจ้าสัจธรุมมาเพราะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสัจธรุมแล้วเราเชื่อธรรมะนั้นปฏิบัติได้ผลโดยโดยเนี่ยโดยวิชาจรณะสัมปนโต้องการเสด็จมาเสด็จอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสุกโตเสด็จปานดีอยู่ดีเด็กก็ไปดี สิ่งที่รู้นั้นเป็นรู้จริงเพราะพระพุทธเจ้ารู้หมดทั้งโลกโร ก, กวิถูรู้แจ้งโลกในนี้เขากําลังกำลังตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเรื่องเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาการต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้ากันอยู่ในโลกแล้วนักปราชญาในสายนั้นๆเขามาทบทวนเขามาดูวพระผู้เจา้าแสดงว่าเรื่องนี้ว่ายังไงอย่างไงปรากฏว่ามีทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่ายุคสมัยก่อนเีย มีเป็นอันมากที่เราไม่แปลออกมาเพราะว่าพื้นฐานการรับรู้ของชาวโลกเนี่ยมีไม่พอคืนแปลออกมามก็ยุ่งนะฮะคนเขาไม่เชื่อแต่พอแปลมาในยุคสมัยนี้คนก็ตื่นเต้นนี่ยนะตื่นเต้นเพราะว่าเขารู้มาก่อนแล้วก็ดูพระเจ้ารู้หรือเปล่าพระเจ้ารู้ก่อนเขาพระเจ้ารู้ก่อนเขาก็ทรงแสดงมาก่อนเขาดีกระทำก็ตื่นเต้นทีนี้ จากจุดนี้ทําให้เราเราเชื่อมไปถึงพระสงฆ์เชื่อไปถึงพุทธบริษัททั้งหลายนะฮะหลนหึงพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เป็นหลักเพราะว่าตามปกติแล้วเรื่องของพระตรนตรัยเนี่ยตัวการสาคัญที่ทาให้เราสับสนนี่คือตัวพระสงฆ์เพราะเราไปมองพระสงฆ์ในรูปที่เกินจริงเรามองพระพุทธเจ้าที่ไม่ถึงความจริงแต่มองพระสงฆ์เกินจริง เพรา ะ, ะไรพระเรามองพระสงค์ใกล้กับบริสุทธิ์หมดจดมาดังบวชวันนั้นเนี่ยบริสุทธ์หมดจดแล้วอีกสิบ้าวันศึกนะยังคิดว่าบริสุทธ์หมดจดอยู่ได้ใจคอคิดยังไงก็ไปด้วยบวชรวยสิบสิบห้าวันก็จะศึกแต่เรามองในแง่งความบริสุทหมดจดทําให้เรามองใกล้ายๆกับพระนี้ทําผิดอะไรไม่ได้เลยแล้วถูกคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน น, นะถูกถูกคือคือหมายความว่ยังไงเราก็ไม่ ท, ทั้งทังที่ศาสนาเนี่ย นำคนมาฝึกนะฮะพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดของนักฝึกเรียกว่าอนุตโรบริสรรมสารถีเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมมันไม่มีคนสมเสริรูปในศาสนานี้ศาสนามาเกิดขึ้นมาฝึกคนเอาคนมาฝึกเอาลูกร้อยพ่อพันแม่มาฝึกโจรก็มีนะฮะโจรขนาดขาไล่ า, ล า, าคนผู้เลงผู้เลงนี่จับมาบวชวันนั้นเลวจะให้เรียบร้อยเลยหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกโกคนนะเถอ เหมือนกับเราเฟอร์นิเจอร์มาทำเอเอเอาไม้สูงมาทําเฟอร์นิเจอร์เสร็จวันเดียวทําได้ไงมันทําไม่ได้มันต้องเสียเวลาเยอะนะฮะไม้ยังเปียกอยู่มันก็ต้องทําให้แห้งซะก่อนมันมาทําไม่ได้ปัญหาพันขั้นขั้ น, น, น, นตอนมันีการเราไม่ได้มองศาสนา น, นี้เป็นที่ฝึกคนไม่ใช่เป็นที่ที่มีคนสําเร็จรูปเพรา ะ, ะ น, นเวลาพระเจ้าสอนเรื่องพระสงฆ์ชาวบ้านเราจะเห็นว่าจะสอนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะ สอนอีกเรื่องหนึ่งเลยพระสงฆ์ทั่วไปนี่สอนอีกที่ให้ชาบ้านมีเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำก็ทำโดยเมตตาพูดก็พูดโดยเมตตาคิดก็คิดด้วยเมตตาสามารถจะทนุบำรุงหรือจะตุบใจเขาทะนุบำรุงไปเมือท่านมาหาที่บ้านนะเรารู้ว่าท่านเป็นใครนะไม่ใจหบอบจีวรมาแล้วจะตอนลาไปหมดประเดี๋ยวก็ถูกปล้นแล้วก็ยินดีตอนับตามสงวรแก่ตานะ เห็นไหมว่าเราไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในเรื่งผลเลิศแต่สอนให้มองกันโดยไม่ตาจิตท่านเป็นนักเรียนนะครับเาฝึกฝึกได้ไม่ได้ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยได้แต่ด้วยเอาจิงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยป็นการร่อนสายหาทองอัตอมาไปไปต่างจังหวัดเมองอวานซื้อก็ับไปพยายามจะรณรงค์ ชวนชาวบ้านเข้ามาตั้งเป็นกลุ่มให้หมวลชนเนี่ยมาช่วยกันช่วยสังคมกันไปจัดเป็นกลุ่มเข้าค่ายพุทธธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วก็นําเยาวชนนําผู้นําชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนั้นๆเข้ามาก็ไปคุยกับพวกผู้อำนวยการโรงเรียนเทศมนตรีนายกเทศมนตรีสัมพันธ์อะไรต่างๆก็เน้นที่ศาสนาวัฒนธรรม ก็เสร็จแล้วก็มาในตัวตังตัวจังหวัดเราก็ขึ้นไปกราบเจ้าคณะจังหวัดวนะเพรกากราบพอคุยกันได้หน่อยเดียวนะมีโยผู้หญิงแห่กันไปตึ่นเต้นเลยนะี่ผมนึกว่าทํามันต่ําจังเนะมันไม่นืกว่าพระแล้วก็ไม่ใช่พระเด็กนะนั่งคุยกันอยู่เนะี่ยขึ้นเดินตัวตรงเดี่ยวเลยไนมะ่มีค้มเลยโค้งสักหน่อยกันไม่ได้ยืนคำหัวอยู่เนะี่ย มาก็เลยลุกขึ้นกลับเลยนึกว่าถ้าอบรมต้องใช้เวลานานแต่อบรมต้องใช้เวลานานต้องสู้กันนานเลยนะว่ามันมันมันแสดงถึงว่าพื้นฐานทางวัตถันธรรมเนี่ยมันขาดจิตสํานึกเมื่อเราเห็นท่านนั่งคุยกันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรจะเข้าพวดเข้าไปอย่างนั้นตีเย็นกาลังพูดเป็นงานเป็นการอยู่นะให้กลังพูดงานอยู่พอดีเลยแล้วงานก็ยังไม่จบหรอกโผล่เข้าไป โตเพื่อเข้าไปส่งเสียงลันล่นแหลมมานั่งนึกอยู่นึกมาตลอดเมื่อคืนจะนั่งนึกจะเอว่าถ้าจะทํางานตรงนี้คงต้องใช้เวลาเยอะใช่เราจะจะ่าย จ, จะดัดคนมันดัดยากเนีมันกลายเป็นวัฒนธรรม ท, ที่ที่ฝังอยู่ในจิตสันดานเรื่องใหญ่นะกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คือคืออะไรคือเราจะเห็นว่าสิ่งตั้งหลายที่มีการเก็บการสะสมมาไว้เนี่ย บางที่เราจะแก้มันก็แก้ยากมันไม่ใช่เรื่องจะทําได้ง่ายจิตสํานึกที่เรามองพระเป็นภาพที่เล็งผลเลิ่อโดยลอยละเลยปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้นบางบางทีนี่คนที่สึกไปแล้วก็ยังมองอย่างนั้นที่น่าเจ็บใจนะคนที่บวชแล้วก็สึกไปเนะี่ยยังมองพระอย่างนั้นอยู่มองแบบคล้ายๆกับผิดอะไรไม่ได้เลยและที่ซ้ํารายยิ่งกว่านั้นก็คือว่า เขาพูดพระเรื่องทางไม่ดีดีเชื่อทันทีถ้าทางดีไม่ค่อยเชื่อมันไปกันใหญ่เลย น, ะนี่คืออะไรก็คือว่าไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเห็นไหมฮะเรามองพระในด้านดีเท่านั้นพระไม่ดีไม่ได้นะแต่พอเขาพูดเรื่องพระไม่ดีเราเชื่อทันทีสแสดงว่าเสียหลักทั้งสองหลักหลักในการมองในแง่ของความเป็นจริงก็ละเลยปัญหาข้อเท็จจริงว่าที่จริงเมืองไทยเรานั้นหมุนเวียนกันบวช แล้วก็เห็นกันอยู่นะก็หมุนเวียนกันบวชเดีเ๋ยวบวชทุกวันนะจำไปแล้วก็สึกอยู่ทุกวันเพราะงะั้นถ้าเราเชื่อในในคําว่าอนุตตรบริยมสาระทีเนี่ยว่าเป็นสาระทีที่ฝึกคนแล้วคนที่สรงฝึกมากก็จริงาจังก็คือพระพวกบุตรสัตสี่นะฮะไม่ใช่พวกโคศัตมิขะเนี่ยทิสุภิสุณีสามเณรสามเทรีนางสิกขามรร า, าพุนี้ฝึกติวเข้มนะพวกชาวบ้านเนี่มันก็ไม่เคยฝึกจริงเท่าไหร่แล้ว ก็สอนแค่ศีลห้ากุศลกำหนดสิบหลักการครองชีวิตอะไรแต่ไรเนี่ยจะจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้ติวเข้มอะไรแล้วก็ไม่มีอบัตปรับด้วยนะฮะชาวบ้านเนี่ยไม่มีอบัตปรับแต่พระจะมีอบัตสามเณรนางสิขามานาจะมีการขาดศีลจะมีการลงโทษจะมีทันตกรรมเะเจะ๊นี่ก็สิ่งเหล่านี้แสดงว่าพระไม่สมบูรณ์ที่ต้องฝึกกันอยู่เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีใครสมบูรณ์พรบูร์ก็ต้องระดับพระญาพุทธ ถ้าเราจับตรงนี้ได้เราจะเห็นว่าเราจะเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงแต่พอนี้เราเสียศูนย์ในตรงนี้เสียศูนย์ในตอนที่พระพุทธคุณเราแขว่งหมดเลยทั้งพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปก็คือศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมธรรมะอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นหลักคำสั่งสอนที่เกิดขึ้นจากการจัดรู้คือค้นพบความจรงิงความจริงก็มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดา佛教จะ จ, จะัดรู้หรือไม่ จ, ะจะัดรู้ก็มีอยู่ครบไปแนะ่นอน แต่ว่าใครไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ถึงก็ไม่รับประโยชน์เลยดอกไม่รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ต้องการเราต้องยอมรับความจริงนะว่าศาสนาที่เกิดก่อนพุทธกาลเนี่ยสอนคนถึงโพรหมโลกนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะสอนคนถึงโพรหมโลกอะไรกันที่รู้เจ้าไปเรียนในสำนักอุตตะดาบทก็ถึงโพรหมโลกชั้นสุดสุดเลยสุดละ่ะ ในวันสัญญาณสัญญาจัตนะพบแล้วสมมติพระเจ้าไม่ได้จัดสรุ้เป็นพวะเจ้านะท่านตายไปแล้วก็บังเกิดไปพรมอยู่ชั่วกับกันนานนเกาเร่ละกว่าจะจุติลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เมื่อไรกันไม่รูก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเราก็สอนน่แต่ว่ายังไม่ถึงสมบูรณ์คือมันได้ประโยชน์สองระดับระดับปัจจุบันระดับภายหน้า ปุจจะก็มาตอบประโยชน์ถูงสุดขึ้นมาคือ น, นิพพานเพราะาตรงนิพพานตรงนี้ยช่วงบนสุดเนี่ยมันไม่มีใครสอนถึงแต่ว่าที่จริงบันไดมันก็มีต่อไปนะฮะมีต่อไปได้ก็เดินต่อไปได้ก็ต่อไปต่อไปได้มันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับมันไปถึงริมฝั่งทะเลเราก็นึกว่าหมดแล้วมาแต่ที่จริงมันยังมีฝั่งหนึ่งของทะเล ฝั่งของมาสมุทรนี่ก็ลงเรือไปได้บางทีท่านจึงอุปมาเป็นเป็นการข้ามฟากไงฮะสงสารสาครนะฮะข้ามฝั่งทะเลข้ามฝั่งทะเลพูดถึงเรื่องนิพพานเป็นการข้ามฝั่งทะเลเราก็เชื่อมันน่นในธรรมคุณตามนายยะที่เราสวดเหมนกันแต่ปัญหาเืาเชื่อจริงหรือเปล่าอีกก่นะเชื่อจริงหรือเปล่าอีกว่าสวาก้าโตนี่เรื่องใหญ่ได้เราเชื่อว่าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าดีแล้วไหยถูกต้องสมบูรณ์จริงครับ เวลยนี้เราเร า, เรามักจะมองโดยบางทีแม้แต่พระเองเนแม้แต่พระเองก็คล้ายๆก็กลัวพระย่าสอนน้อยๆไปใส่ลงใส่ลงใส่ลงแล้วยาวเยียดเลยเช่นเช่นสมมติว่าแนวกัยญาณามิตรเนี่กัญญาณมิตนะรนนพระจ่าจะใช้คำสั้นๆไปสา ม, ส, ามสี่คำแตนั้นเองแล้วพูดเหมือนทุกแห่งนอกจากไปขยาย มิตรปลอบลอกเป็นยังไงมิตรหัวประจบจางยังไงได้มิตรดีแต่พูดว่ายังไงเนี่ยฮะก็จะว่าไปอ่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาความเป็นกาลยาณนะมิตรจะทรงใช้ครับว่ามิตรที่มีความรักใครมิตรที่แนะนําในสิ่งประโยชน์มิตรที่มีอุปการะมิตรรวมทุกรวมสู่กันได้ท่านี้นสี่คำและสี่คำเหล่านี้นั่นอะไรลองตระหวจพ่อแม่สามีพันยาอาจารย์กับสิทธิเพื่อนกับเพื่อ น, อนขาราชจากรการบ้านเมืองกับประชาชนก็คือกัน่ะ คือ4ี่ข้อนี้แต่นั่นเองโดยเนื้อหาแล้วก็เท่านั้นการกระทำทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องของอุปการะสร้างสรร์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขกันแสดงถึงพื้นฐานของความรักความเมตต า, ากับมกตัญก็แล้วแต่จะมีอย่างงั้นแนะ่ะแต่วันที่เราก็กลัวว่าแค่จะน้อยไปหรือไม่ทันสมัย แต่สมัยก็ใส่ไปรุงรังไปหมดเลยนะซึ่งมันกลายเป็นผลละควา ม, มันแสดงถึงความไม่เข้าใจธรรมะของเราอีกทีหนึ่งว่าเราไม่เข้าใจธรรมะว่ามันเป็นกระบวนมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันมันไม่ต้องไปนับตัวเลขขนาดนั้นแล้วนะไม่ต้องไปนับตัวเลขขนาดนั้นแต่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติอจีก็ยกตัวอย่างให้ฟนะังที่พระเจ้าทรงช้กบ ว, ว่า เมือบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วจะได้ผลของพืชชนิดนั้นลงไปบนดินนะลงก่อนเนะี่ยลงพืชดินแล้วจะได้ผลของพืชชนิดอย่างนี้เห็นไหมฮะทิ้งเหตุปัจจัยซะเยอะเลยไม่ได้พูดถึงปลูกพืชปั๊บไม่ใช่ได้ผลปุ๊บอะไรมันมีต้นมันมีกิ่งมันมีใบมันมีเวลามันมีดอกมันมีผลอีตั้งนานเนี่ย แต่พูดแค่นั้นนี่นนะก็รู้กันอยู่ว่ากระบวนการมันเหตุปัจจัยเธอต้องรู้เองมไม่มจํไม่าเป็นจะต้องมานับไม่จําเป็นจะต้องมานับมีคุณชายกรีฑาเขาเล่าว่าเพื่อนของท่านไปสั่งอาหารนะสั่งอาหารสั่งต้มยำโอ้แกสั่งเวลาตั้งหลายนาทีก็บอกละเอียดหมดเลยใส่นั้นเท่านั้นเอานั้นใส่ไปก่อนต้มต้มนม้ำอย่างนั้นนั่งอธิบายนะฮะนั่งสั่งไปอธิบายให้ให้ให้แม่กลัวเขาฟังเสร็จเลย ที่จริงสั่งต้มยำคำเดียวก็พอแล้วเรนแม่แม่ครัวเขารู้ว่าต้มยำเนี่ยมาทํำยังไงทำไมต้องกแ ไ, ไปอธิบายอย่างนั้นน่ยอธิบายก็มาทําเองสิงนี่มันไม่จําเป็นจะต้องอธิบายแต่คาว่าต้มยำเนะี่ยมันบอกความหมายความหมายยังไงแม่ครัวก็ทําเองฮนะเราเราเราเราใช้คำเป็นคําเดียวแต่ให้เราสังเกตว่าที่จริงมันไม่ใช่สิ่งเดียว นั่นคือคือคือภาษาทางศาสนามันไม่จำเป็นจะต้องไปว่ า, ล ะ, ะาละเอียดอย่างนั้นแต่ต้องรู้มันเป็นกระบวนการของมันเราไ่เชื่อตอนนี้ตามธา ม, ามนายิยาพระธรรมกุณสวัคาโตรพระตาธรมโพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงววาดีแล้วสันทิติโกผู้บรรย์จะพึงเห็นได้เองอาการลิโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา โอปัญญโกเอหิปัสโกควรเชิญชวนชักชวนมาดูมาชมมาพิสูจน์มาทดสอบมาทดลองนะฮะมาลงมือประพฤติปฏิบัติแต่อุปัญญโกก็ให้น้อมนํามาปฏิบัติธรรมะเราต้องน้อมตัวเราเข้าไปหาธรรมะหรือว่าน้อมธรรมะเข้ามาหาเราก็แล้วแต่แต่หมายความว่าเรากับธรรมะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะกลายเป็นผลในการปฏิบัติธรรมะท่านใช้กรรมมีเหมือนกัน เห็นไหมใช้กรรมมีมีเมตตามีกรุณามีความเพียรมีริมีอัตตปะมีสมาธิมีปัญญามีสตามีหมดใช้กรรมมีหมดไม่ใช่พูดเฉยเฉบอกว่ามีนะถ้าไม่มีคือไม่มีไม่มีไม่รับประกันประกันในความมีแต่นั้นเองเทนี้ประกันระดับไหนถ้ามีระดับศีลประกันนรกได้ประกันว่าคุณไม่ตกนรกถ้าคุณมีศีลสิประกันผลได้เลยนะ หรืวระดับชีวิตปัจจุบันประกันเวรภัยได้ประกันเวนะปรเวประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการผิดศีลของเราได้ตรงนี้ชักจะยุ่งนะะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ใช่ชาติเดียวบางทีบาปกรรมบางอย่างเราเกิดมาให้ผลในชาตินี้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ทําเหตุในชาตินี้ท่านก็แสดงถึงกระบวนการของกรรมแต่ที่แน่นอนที่สุดว่าผลเหล่นี้เกิด ข, ขึ้นมาจากเหตุที่ไม่ดีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้่ ชาติหก็ไม่รู้กว่ากันไปไปใดใดไปเป็นเรื่องที่พิสูุนทดสอบได้แต่ว่าเราจะต้องมองว่าเราไม่ได้ทําความดีเสมอไปหรือทาความชั่วเสมอไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่ไปไทําความดีเสมอไปนะะในสังสารวัฏยังมีทําความผิดเยอะไปแล้ผิดท่านก็รับผลไปกรณีความดีมากกว่าก็ทําให้ท่านสัตรุปแต่ก็มีเยอะที่ผลของความชั่วมาให้ผลท่านนอะ ถือว่าทัดกลิ่งขินทับบางถูกนางกินจะมนาวิกาใส่ร้ายบ้งไม่ใช่เล่นนะนะไม่ใช่เล่นในี่ยใส่ร้ายขนาดนั้นนะถ้าไม่แน่จริงแล้วนะเสดเลยนะแน่จริงตายเลยนะแต่นี้ก็คือวิบาคกค ร, รับเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ธรรมะจะมวยผลให้แน่นอนถ้าเราโอปะในอีกโอคือน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติให้เป็นนะปฏิบัติให้เป็น เขเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิง่งปฏิบัติตามธรรมแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่เราสัมผัสผลเองปั จ, จะตั้งไว้เม่จะโบกิจุฬเราจะเป็นเรื่องที่บินอูชนจะรู้ได้เฉพาะตนสงบเย็นสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เดือดร้อนอะไรอะไรเราเราเป็นเป็นเรื่องที่เราสัมผัสเองแต่ที่ที่ที่ค่อนข้างยุ่งเนี่ยคือว่า บางทีเราไปสงบได้ในจุดหนึ่งแต่เราไม่สงบในหลายๆจุดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือว่ากระแสของสื่อต่างๆในปัจจุบันที่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นไปใ น, ในใจิตใจของคนเยอะแล้วเราก็ไหลไปตามกระแสและใจจะไม่สงบซึ่งถ้าหากว่าเรามีปัญญาตรงนี้รู้เท่าทัน หยุดคิดซะบ้างตัดปัญหาซะบ้างไม่สนใจซะบ้างสงบใจซะบ้างมาก็เราจะสัมผัสได้ดีบ้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องคือใจจะต้องไม่วันไหวกับอารมค้างนอกที่ท่านบอกว่านาวจาวจังรัสยันติปัณฑิตะบัณฑิตจะต้องไม่ขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเป็นเรื่องของข้างนอกเราไม่วันไหวซะอย่างหนึ่ ง, งก็จบ ประการต่อไปก็คือเชื่อมั่นในพระสงฆ์ในคุณพระสงฆ์ก็ตามที่เราสวดอีกนะฮะตามที่เราสวดอีกแต่ให้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านหมายความว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมจริงๆเรามันเป็นเงื่อนไขอ่ะหมายความอย่างไงหมายความว่าถ้าท่านเป็นแม่ท่านก็ได้เป็นแม่ถ้าท่านไม่มีลูกท่านก็ไม่มีสิทธิ์เป็นแม่มันก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมดาของมัน พราะฉนั้ well, พระสงฆ์เนี่ยท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงมีประาธรมปฏิปัติสมบูรณ์สี่ข้อนะสีข้อแต่แต่ที่จริงท่านบอกไว้นะฮะเราเราไม่สังเกตว่าญาติดังนี่คือใครบ้างจตาริปุญญกานี้คู่แห่งบุรุษสอัถะบริสุบุกราบุรุษบุคคลแปดเอสะภควาโตสาวกสังโคนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระพุมธมีพรเจ้าท่านที่เป็นอย่างเนี้ยแล้วมีสถานะอย่างนี้ท่านก็ควรอย่างเนี้ยควรอาหุนโยภาหุนโยธิกิน แสดงไว้ชัดเจนมากในสังกุฏขแสดงใว้ชัดเจนมากเลยพราะท่านที่ปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะมีสถานะอย่างนี้เมื่อมีสถานะอย่างนี้แล้วท่านก็ควรแก่อย่างงี้ควรแก่อาูนายโยควรของคำนั บ, ค ว, ค, นบควรของรังรับควรทำบุญควรทำอัญเชลีนะแล้วก็อยู่ในสถานะที่เป็นนาบุญของชาวโลกถามวนาบุญข่าใครก็คือชาวพุทธนะชาวชาวโลกอื่นมันไม่ไม่นับถือหรอก เห็นไหมว่าดีในเกณฑ์ของความเป็นชาวพุทธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ก็รายัางถูกนอกพวกต่างศาสนาเบียดเบีบยนมรุทธิ์ไรก็แสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าท่านเป็นอาหุนนายโยปะหุนนยโยทั้งทั้งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตตสมควรเห็นไหมพระโมกคลนานะยังถูกฆ่าพระเจ้ายัางถูกด่าเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้จึงเป็นเกณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในประธรรม นะจะทําให้ศรัทธาลืมใส่ในพระสงฆ์แล้วก็สมมติว่าท่านท่านท่านท่านท่าไม่ได้ตามที่เราว่าเนี่ยเราก็มีเมตาเานะมตาเป็นหลักเมตตากายกรรมมังโมจีกับ ม, มังโมโรกมอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระฉบักคีท่านไปไว่า้น้ําเล่นพระหนุ่มๆพระเด็กๆกันนะฮะไหว้น้ําเล่นในแม่น้นํอาอัญจิราวดีใกล้ๆกับตรวังประตูหน้าต่างหน้าต่างวัง ของพระเจ้าประเสิทนิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่านางมณรกาวันนี้นีเธอเธอเธอมาดูพระอาหารไหวยน้ำพระอาหารไหว้น้ำเล่นพนังมาริกาท่านเห็นปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงไม่คงยังไม่ได้บัญญัติเราอย่างไรถ้าบัญญัติแล้วท่านท่านไม่ไม่หว้ละแล้วัก็หาวิธีที่ทูลใั้พระพุทธเจ้าแต่ไม่ไปฟ้องนะะไม่ไปฟ้องไม่ไปฟ้อ ง, เ, องเลยเห็นไม่ไม่ดา่า ไม่ฟ้องด้วยแล้วก็ไม่ได่า้วยแต่ว่าผลออกมาพระเจ้าบัญญัติวินัยอามพระว่ายน้ำเล่นห้ามว่ายน้ําเล่นนะฮะไม่ใช่ห้ามว่ายน้ํานะไม่ใช่พอห้ามว่ายน้ําแล้วก็ตกลงไปในน้ําก็ไม่ต้องว่ายก็ตายพอดีไม่ใช่อย่างนั้นนะห้ามว่ายน้ําเพื่อจะเล่นเท่านั้นเองนะแต่ว่ายังอื่นได้นะเรือตกเรือล่มอะไรแต่ไม่ว่านี่ก็คือตถาเลื่อนใส่ในพระสงฆ์แล้วก็มีฐานการมองพระสงฆ์นั้นมองด้วยเมตตา นะมองโดยเมตตามองด้วยปัญญาปัญญาที่มีเมตตามันไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ไปโชนเข้าใส่เลยแปรโชนขาดาเลยแล้วก็เป็นเร่งผลเลิศซึ่งเกินความจริงนะเกินความจริงที่ท่านเป็นนะฮะที่จริงในศาสนานี้เป็นที่ฝึกคนนะมันไม่ใช่เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ร้อยเอร์เซ็บริสุทธิ์ก็มีเนะนะแต่ว่ามาด้วยความไม่บริสุทธิ์ก่อนมาฝึกก่อนเหมือนโรงงานนะฮะ เห็นไหมโรงงานมีทั้งวัสดุที่ผิดแล้วนะะคนมาซื้อก็ได้แต่มันดูวัตถุดิบเยอะเลยเกลื่อนเต็มหมดกาลังกำลังจะเข้าสู่ระบบนะจะเอาตรงไหนล่ะถ้าจะเอาที่ที่ที่บริสุทธิ์จริงๆก็มีที่เสร็จแล้วนั่นก็มีนะที่สร้างเสร็จแล้วก็มีแต่วัตถุดิบนจะมากกว่านะวัตถุดิบจะมากกว่าเพราะงั้นถ้าเราตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าผลทั้งหมดมันมาจากการ การปฏิบัติตามหลักของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาก่อนนะทรงศัสอนก็ทําให้เราหนักแน่นในศีลคือเป็นผู้มีศีลเรามีศีลเองนะฮะเห็นไหมฮะเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสง์เราก็มีศีลอย่างที่พระพุทธเจ้ามีอย่างที่ปรากฏเป็นพระธรรมอย่างที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติต้องลงมาเราก็มี กลายเป็นที่หลังไหลของบุญบุญเกิดขึ้นในศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประส์แต่ไม่ใช่บรรดาลจากนั้นนะฮะนั้นเป็นตัวนำแต่ว่าตัวบรรดาลจริงคือ น, นำเอาศีลเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติจนมีความประนีตในศีลก็แน่นอนแล้วก็ยงโยงลองนึกดูเรารักษาศีลบางทีก็ไปไม่รอดหนึ่งวันเลยนะฮะรักษาศีลตอนเช้าตอนเย็นขาดแต่แล้ว ก็พยายามรักษากันไปพระก็คือคนเราก็คือคนนะั่นแหะคือคนน่ยแต่พระก็คือลูกโยมอ่ะพ่อแม่พระอยู่ข้างนอกวัดเองพ่อแม่ก็ขนาดไหนลูกก็ไม่ได้ไกลจ า, ากพ่อแม่เท่าไรแล้วเพราะฉะนั้นต่างคนดังช่วยกันปฏิบัติแล้วก็ผิดถูกแก้ไขกันไปปรับปรุงกันไป มีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ศีลเขาเรียกว่าอริยกัรแต่ศีลคือศีลไม่ขาดไม่ถลุไม่ด่างไม่พร้อยนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาจากตัวเองเป็นการหลั่งไหลของบุญโดยตัวเองเป็นบารมีเห็นไเป็นศีลธบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นขันติบารมีเป็นบริยะบารมีเป็นบารมีขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยครบบททังสีข้อแล้วตรงนี้ พวกบาป พ, พวกกุศลทั้งหลายก็สงบสัตทานั้นไปสงบพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทโมหะก่อนนะครับประเภทโมหะแล้วก็โลภะแล้วโทสะสัตทานจะทำหน้าที่เขาจะงานนะ ส, สงบประเภทโมหะก่อนโมหะแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะซึ่ง พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเองภายในใจเราเองมันก็ลดโลภะโทาสะมวัวเส็นไปก็กลายเป็นการหลั่งไหลของบุญที่ต่อเนื่องทั้งในชาติปัจจุบันชาติชาติหน้าและในชาติต่อไปสมหรับปันนี้ก็พออยู่ติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไห้บุญในธรรมจะมีท่านสาวชนทั้งหลายทุกๆ ก, การทุกท่านคือ